ทพท่านพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทผู้ไฝ่ทางทุ ก, ท, ก, ท, กท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่21รกรกฎาคมพุทธศักราช2546เป็นวันแรง8ค่ำเดือน8เป็นวันพระวันธรรมสวรนะ วันฟังธรรมอถึงวันพระกันศรัทธาญาติโย่ก็ร่วมกันมาที่วัดเพื่อปฏิบัติสิ่งที่ได้ตั้งจิตตั้งใจไว้ปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูการเข้าพรรษาเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี ของพุทธศาสนิกชนทั่วๆไปที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมมากยิ่งไปกว่าปกติทั่วๆไปคืออาจจะมีการตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายๆข้อสุดแท้แต่กรณีของแต่และบุคคลที่จะพึงกระทำกันบางท่าน ก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าจะใส่บาตรทุกๆวันบางท่านก็ตั้งจิตอธิษฐานจะมาที่วัดทุกๆวันพระบางท่านก็ตั้งจิตอธิษฐานจะไหว้พระสมณทุกๆวันทั้งเช้าทั้งเย็นบางท่านก็ตั้งจิตอธิษฐานจะละเว้นจากอบายามุขต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเสพสุรายาเมาการเล่นการพนันการเที่ยวตอดกลางคืนหรือสิ่งเสพติดอย่างอื่นที่เห็นว่าเสพไปแล้วไม่เกิดคุณมีแต่โทษก็ตลอดระยะเวลาสามเดือนก็จะลองปฏิบัติทำดูเพื่อประโยชน์สุขของตนเองนั่นเอง การที่จะทำอะไรให้เป็นไปได้ด้วยความสะดวกราบรื่นก็จำต้องมีเครื่องมือสนับสนุนเครื่องมือที่จะสนับสนุนในการกระทำสิ่งที่เราปรารถนากันนั้นก็มีอยู่หลายอย่างด้วยกันเหมือนกับเวลาที่เราจะต้องซ่อมรถยนต์ก็ต้องมีเครื่องม้เครื่องมือหลายชนิด หรือเวลาจะสร้างบ้านสร้างเรือนก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นขวานเป็นมีดเป็นเลื่อยเป็นกบเป็นค้อนเป็นต้นต้องมีหลายๆายอย่างช่วยสนับสนุนกันการกระทําคือภารกิจที่ต้องการจะทานั้น<ม>ก็จะสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี การที่เรามีความปรารถนาที่จะพัฒนาชีวิตของเราให้ดีขึ้นกว่าเดิมพัฒนาให้สูงขึ้นกว่าเดิมและมุ่งดำเนินไปสู่จุดสูงสุดคือสู่อริยะผูรจากปุถุชนให้กลายเป็นพระอริยเจ้าขึ้นมาจำเป็นต้องมี ธรรมะที่เป็นเครื่องอุปธรรมสนับสนุนเช่นความตั้งใจในภาษาบาลีท่านว่าอธิษฐานคือเราต้องมีความตั้งใจต้องตั้งอธิษฐานจิตให้รู้ว่าเราต้องการจะไปทิศทางใดเราต้องการอะไรเราก็ตั้งเป้าหมายไว้เรียกว่าตั้งใจอธิษฐาน ต่อมาก็ต้องมีสัจจะคือความจริงใจความเอาจริงเอาจังแ น, แน่วแน่มั่นคงมุมาณนะคือไม่สักแต่ตั้งใจไว้เฉยๆเมื่อทําไปแล้วเจออุปสรรคเจอความยากความลําบากก็จะเลิกรากันไปถ้ามีสัจจะความจริงใจความจริงจัง ความเอาเอาจริงเอาจังมีความเหนียวแน่นแน่นนอนแล้วถึงแม้จะเจออุปสรรคอย่างไรก็จะไม่ยอมถอยหลังไม่ยอมยกเลิกไม่ยอมแพ้จะต้องไปให้ได้จะช้าหรือจะเร็วก็สุดแท้แต่แต่จะไม่ยอมแพ้ไม่ยอมหยุดอาจจะต้องชะลอลงไปบ้าง เพราะว่าสุขภาพร่างกายอาจจะไม่อำนวยหรือมีอุปสรรคบางสิ่งบางอย่างแต่ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำให้ล้มเลิกไปเลยเรียกว่าสัจจะอธิษฐานอย่างที่พระพุทธเจ้าของเราได้ทรงกำหนดจิตไว้ในวาระสุดท้ายแห่งการปฏิบัติธรรมขณะที่นั่งอยู่ใต้ต้นโพ ทรงตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ว่าถ้าไม่ได้ตัดสู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะไม่ลุกจากที่นั่งอันนี้ไปเป็นอันขายยกเว้นเสียแต่ไม่มีชีวิตหลงเหลืออยู่เท่านั้นถึงแม้ร่างกายจะสู้ผอมเลือดเลือดในร่างกายจะเหือดแห้งไปจะไม่ยอมลุกจากที่นั่งอันนี้ไปเป็นอันขาย นี่คือสัจจะอธิษฐานที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเปล่งวาจาไว้และเป็นเหตุที่เป็นเครื่องคอยผลักดันไม่ให้ยอมแพ้ให้ลุกไปแต่ข้างหน้าให้ลุยไปแต่ข้างหน้าจนในที่สุดก็ได้บรรลุถึงผลอันเลิศที่ทรงปรารถนานอกจากสัจจะอธิษฐานแล้ว ธรรมะข้อต่อมาก็คือวิริยะความอุตสาหะความภาคเพียรพยายามเมื่อเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าเราต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดต้องการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดในเวลาใดเมื่อถึงเวลานั้นเราก็ต้องทำในสิ่งนั้นๆเช่นถ้าเราตั้งจิตอธิษฐานว่าจะใส่บาตรทุกๆวัน เมื่อถึงเวลาเราก็ต้องเตรียมกับข้าวกับปลาอาหารขาวหวานไว้เพื่อรอพระที่ท่านเดินผ่านมาที่บ้านของเราก็ดีหรือเราจะนาอาหารเราไปถวายตักบาตามจุดต่างๆที่พระท่านเดินผ่านก็ขอให้เรามีความอุตสาหะวิรยิยะภาคเพียรอย่าเกิดความเกียดครานขึ้นมา บางวันตื่นขึ้นมาอาจจะนอนดึกเลยไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงไม่อยากจะลุกก็ต้องนึกถึงสัจจะอธิษฐานที่ได้ตั้งไว้แล้วก็ต้องอาศัยวิริยะความอุตสาหะความภาคเพียรผลักดันให้กายวาจาใจนั้นลุกขึ้นมาทากิจที่ได้ตั้งจิตตั้งใจไว้ทํานี่ก็เป็น ธรรมะที่จะช่วยผลักดันให้เราดำเนินไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการต่อมาก็ต้องมีขันติคือความอดทนนั่นเอง<ม>เพราะการกระทาอะไรที่เป็นคุณงามความดีนั้นสำหรับปุถุชนทั่วๆไปจะรู้สึกว่ายากเพราะจิตใจของปุถุชนนั้นมีสิ่งที่เรียกว่าอํานาจฝ่ายต่ำ อยู่ภายในจิตใจมักจะชอบไหลลงต่ําไม่ค่อยชอบขึ้นสูงเหมือนกับน้ำน้ำย่อมไม่ไหลขึ้นที่สูงฉันใดจิตใจของปุถุชนก็ไม่ไหลขึ้นสู่ที่สูงฉันนั้นถ้าไม่มีการผลักดันไม่มีการเที่ยวเข็นจิตของปุถุชนทั่วๆไปนั้นจะไม่ไปสูง ที่ดีที่งามได้โดยลําพังของตอนเองต้องอาศัยธรรมะดังที่ได้กล่าวไว้เป็นเครื่องผลักดันสนับสนุนดังนั้นสําหรับปุ้ทุชนผู้ที่จะทําความดีแต่ละครั้งจึงรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ยากเย็นอย่างยิ่งแต่ถ้าให้ไปทําในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามจะรู้สึกว่าง่ายเช่นระหว่างการมาวัด กับการไปดูหนังดูละครไปเที่ยวเตะจิตใจจะรู้สึกว่าการนาวัดนี้แสงจะยากเย็นลำบากลำบนแต่เวลาไปเที่ยวไปกินเลี้ยงไปหาความสุขทังทางโลกแล้วจะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ง่ายแสงง่ายแทบจะไม่ต้องให้มีใครมาเตือนมาบอกในใจพร้อมที่จะไปอยู่เสมอ นั่นก็เป็นเพราะว่านี่คือธรรมชาติของจิตปุถุชนในทางตรงกันข้ามถ้าเป็นจิตของพระอริยเจ้าแล้วการทำความดีกลับเป็นของง่ายและการกระทําความชั่วกับเป็นของยากเพราะเหตุที่ได้ฝึกฝนอบรมนิสัยสันดานจนกลายเป็นจิตที่ดีที่งาม กิจที่ฝ่ายดีฝ่ายงามโดยถ่ายเดียวดังนั้นเวลาที่จะทําความชั่วนั้นจึงเป็นสิ่งที่ทําไม่ได้ตั้งแต่พระอริยบุคคลเบื้องต้นขึ้นไปคือพระโสดาบันแล้วเรื่องการทําบาปเช่นการละเมิดศีลนั้นจะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยทีเดียวท่านจะไม่ทําโดยเด็ดขาดแม้จะรักษาชีวิตเพื่อ เพื่อแม้แต่จะเพื่อรักษาชีวิตให้อยู่โดยที่จะทําบาปทํากรรมนั้นก็จะไม่ทําเช่นสมมติจะมีผู้หนึ่งผู้ใดมาทําร้ายชีวิตของท่านท่านก็จะไม่ป้องกันท่านจะไม่ต่อสู้เพื่อทําร้ายชีวิตของเขาแต่ถ้าท่านหลบได้ก็จะหลบถ้าหลีกได้ก็จะหลีกถ้าพูดคุยกันสอนกันได้ให้เขายกเลิกการกระทําที่ไม่ดีนั้นได้ท่านก็จะยกเลิก แต่เรื่องที่จะทำให้ท่านต้องไปทำบาป ท, ทำกรรมเพื่อที่ปกป้องรักษาชีวิตของท่านนั้นท่านจะทำไม่ได้เพราะในนิสัยสันดานของพระอริยเจ้านั้นท่านได้กาจัดหมดสิ้นไปแล้วเรื่องของการกระทำบาปทั้งหลายนั่นเองแต่ก่อนที่เราจะไปถึงที่นั่นได้เราก็ต้องอาศัยธรรมะที่ได้แสดงไว้คือต้องมีอธิษฐาน ความตั้งใจศัจจากความจริงใจวิริยะความอุตสาหะความภาคเพียนขันติความอดทนถ้าไม่มีคุณธรรมทั้งสีประการนี้แล้วการที่เราจะยกสภาพจิตของกุตุชนให้กลายเป็นพระอริยบุคคลนั้นย่อมเป็นไปได้ด้วยความยาก หรืออาจจะเป็นไปไม่ได้เลยทีเดียวเพราะว่าเหมือนกับการที่จะสร้างบ้านขึ้นมาโดยไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ฉันใหการที่จะปั้นดินให้เป็นพระขึ้นมาก็เช่นนั้นการที่เราจะหยิบดินขึ้นมาแล้วมาปั้นให้เป็นองค์พระพุทธรูปนั้น ถ้าเราไม่มีความตั้งจิตตั้งใจไม่มีความแน่วแน่เอาจริงเอาจังไม่มีความขยันหมั่นเพียรไม่มีความอดทนแล้วรับรองได้ว่าเราจะไม่สามารถเอาดินมาปั้นให้กลายเป็นพุทพุทธรูป ข, ขึ้นมาได้แต่ถ้าเรามีความตั้งใจมีความจริงใจมีความขยัน มีความอดทนแล้วเราสามารถที่จะปั้นดินให้เป็นพระพุทธรูปได้เราสามารถทำจิตของปุถุชนให้กลายเป็นพระอริยเจ้าได้ถ้าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แล้วโลกนี้จะต้องไม่มีพระพุทธเจ้ามาปรากฏขึ้นมาจะไม่มีพระอรหันตสาวกทั้งหลายปรากฏขึ้นมา เพราะว่าไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตามพระอาหารหันตสาวกรูปใดก็ตามท่านเหล่านั้นล้วนมาจากความเป็นปุตุชนทั้งสิ้นไม่มีใครมาจากความเป็นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกเลยทุกๆคนต้องมาจากปุตตุชนทุกๆคนต้องมาจากดินเสียก่อนแล้วก็เอาธรรมะที่พพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบนี้ มาใช้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือปั้นก้อนดินก้อนนั้นให้กลายเป็นพระพุทธรูปปั้นจิตของปุทุชนให้กลายเป็นจิตของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ปุทุชนทุกคนนั้นมีสิทธิที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้มีสิทธิ์ที่จะเป็นพระอาหารหันตสาวกได้ถ้ามีความตั้งใจ มีความจริงใจมีความขยายาเหมือนเพยนมีความอดทนที่จะปฏิบัติธรรมะที่จะทำให้ปุตุชนนั้นกลายเป็นพระอริยะขึ้นมาดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายผู้ยังเป็นปุตุชนอยู่ควรมีความดีอกดีใจเพราะว่าเรามีความหวัง ชีวิตของเราไม่สิ้นหวังเราไม่จำเป็นต้องอยู่ในสภาพที่เราเป็นอยู่สภาพที่เราเป็นอยู่ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับคนที่ติดคุกติดตารางนั่นเองคนที่ติดคุกติดตารางถ้าโดนจำคุกตลอดชีวิตเขาก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้เล่นรอดออกจากคุกตารางไปเลยชั่วชีวิตของเขาแต่ถ้าเขาถูก จองจำให้อยู่ตามระยะเวลา5ปี -10 ปีเขาก็ยังมีความหวังที่เขาจะออกพ้นออกจากคุกไปได้ฉันใดพวกเราก็เป็นเหมือนกับนับโทษแต่ไม่ได้ถูกลงโทษจำคุกตลอดชีวิตเรามีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากคุกตรางนี้ไปได้ด้วยธรรมะของพระเจ้า เพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงใช้ธรรมะนิยมให้พระพุทธองค์ได้ทรงหลุดพ้นออกไปจากห้องขังหรือคุกตารางที่พวกเราอยู่กันมาเมื่อก่อนนี้พระพุทธเจ้าก็ถูกขังอยู่ในคุกในตารางอันนี้แต่หลังจากที่พระพุทธองค์ได้ทรงฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆด้วยการปฏิบัติธรรมคือทมแต่ความดี ละความชั่วการจัดกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในพระทัยของพระองค์จนหมดสิ้นไปพระทัยของพระองค์ก็กลายเป็นพระทัยที่หลุดพ้นจากคุกตารางนั่นเองคุกตารางที่พูดถึงนี้ก็หมายถึงคุกแห่งการเวียนว่ า, ายตายเกิดพวกเราทุกคนจะทราบหรือไม่ทราบก็ตา่างเมื่อเราเกิดมาแล้ว เราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วนอกจากตายไปแล้วยังไม่ใช่จะจบเพียงเท่านั้นเมื่อตายไปแล้วยังไปเกิดใหม่อีกไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ภพสูงภพต่ำตั้งแต่นรกซึ่งเป็นภพที่ต่ำที่สุดจนถึงขั้นโคมลโลกซึ่งเป็นภพที่สูงที่สุดไล่ขึ้นมาจากนรกสู่เปรตสู่อสู ร, รกายสู่เดชะชาน สู่มนุษย์สู่เทวโลกสู่พรหมโลกนี่คือคุกตาราลของสัตว์โลกทั้งหลายที่ยังไม่สามารถปลดเครื่องตัวเองให้หลุดพ้นไปได้มีแต่พระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันตสตถาคตทั้งหลายเท่านั้นที่สามารถดิ้นหลุดพ้นจากคุกตาราลอันนี้ไปได้ด้วยการปฏิบัติธรรม คือละทำชั่วทำแต่สิ่งที่ดีที่งามและกําจัดกิเลสตัณหาทั้งหลายที่มีอยู่ภายิดจิตใจให้หมดสิ้นไปด้วยการทำบุญทำทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมไหวพระสวดมนต์ทำสมาธิเจริญวิปัสสนารองอนิจจังทุกขังอนัตตา เหล่านี้เป็นธรรมะที่ผู้ที่จะต้องการไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากภุดตะานแห่งการเกิดแก่เจ็บตายจะต้องปฏิบัติกันถ้าปฏิบัติด้วยความตั้งใจด้วยความจริงจังด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความอดทนแล้วรับรองได้ว่าไม่ช้าก็เร็ว ก็จะสามารถหลุดพ้นจากคุกตารางอันนี้ไปได้แต่ถ้าจะหวังให้ผู้หนึ่งผู้ใดปฏิบัติแทนเราคือลากจูงเราให้พ้นไปจากคุกตารางอันนี mm. ้ก็จะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเป็นไปได้ mm. ก็จะต้องผิดหวังไปตลอดชีวิต mm. ก็จะต้องอยู่ในคุกตาราง mm. แห่งการเย็นว่ายตายเกิด mm. ไปแบบไม่รู้จักจบจากสิ้น ดังนั้นเวลาที่เราเราเลิกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้เราเระเลิกถึงพระพุทธคุณพระพธรรมคุณพระสังคุณคือความสามารถความเก่งกาจเช่นความตั้งใจความจริงใจความขยนันความอดทนที่มีอยู่ในพระเหล่านั้นแล้วนาเอาสิ่งเหล่านั้นที่ท่านมีอยู่มาใช้กับตัวเรา พยายามตั้งจิตอธิษฐานตั้งใจว่าจะทําความดีว่าจะไม่กระทําความชั่วว่าจะตัดกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่ไม่มีความจําเป็นต่อการดารงชีพหรือต่อการปฏิบัติธรรมก็จะไม่มีพยายามจะตัดให้น้อยลงไปจนหมดไปในที่สุด ถ้าเราสามารถปฏิบัติได้ไม่ช้าก็เร็วจิตของเราก็จะกลายเป็นจิตของพระอริยเจ้าเหมือนกับจิตของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้เปลี่ยนจากปุจจุชนเป็นพระอริยเจ้าก็เปลี่ยนจากการปฏิบัติธรรมเท่านั้นไม่ได้เปลี่ยนจากการปุกเสกไม่ได้เปลี่ยนจากการบนบานขอสิ่งนั้นสิ่งนี้จากสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโลกนี้เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่แท้จริงในโลกนี้ก็คือธรรมะธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าอัตตาหิอัตโนนาถโถนี่แหละคือธรรมะที่ศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงผู้ใดก็ตามมีธรรมะข้อนี้แล้วย่อมสามารถนำตนให้ไปพ้นสู่ความทุกข์พ้นสู่พ้นจากความยากความลำบากได้ไม่ว่าในกรณีใด แม้กระทั่งในชีวิตที่เราอยู่กันทุกวันนี้ถ้าเรามีอัตตาหิอัตโนนาโถเราจะสามารถยกตนเราให้พ้นจากความทุกข์ความยากความลำบากในเรื่องของการดำรงชีพอยู่แต่ถ้าเราไม่ขวนขวายไม่ยึดตนเป็นที่พึ่งหวังพึ่งผู้นั้นผู้นี้ไว้มาคอยช่วยเหลือเราดูแลเราแล้ว ชีวิตของเรานั้นจะต้องลำบากลำบนอย่างแน่นอนเพราะคนที่เขาจะมาดูแลเรานั้นเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะสามารถดูแลเราไปได้ตลอดเวลาหรือไม่เพราะชีวิตของคนเราทุกคนนั้นอยู่ภายใต้กฎของอนิจจ์คือความไม่เที่ยงจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้หรือจะพิกลพิการไปเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้ ถ้าคนที่เราหวังพึ่งเป็นคนคอยให้คอยเลี้ยงดูเราเกิดเขาเป็นอะไรไปเสียก่อนเราจะทำอย่างไรเราจะไม่ลาบากลำบนหรือในทางตรงกันข้ามถ้าเรายึดตนเราเป็นที่พึ่งสามารถทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งผู้หนึ่งผู้ใดเราก็จะไม่เดือดร้อนยกเว้นเสียว่า เราไม่สามารถชึ้งตัวเราได้แล้วเท่านั้นถ้าเป็นเช่นนั้นก็ต้องอาศัยบุญกรรมที่เราได้ทําไว้ในอดีตเป็นเครื่องสนับสนุนหรือเป็นเครื่องทําลายเราเท่านั้นถ้าเราได้ทําบุญไม่มากบุญนั้นก็จะมาอุปถัมภ์ค้ำจุนเราในยามที่เราไม่สามารถช่วยเหลือตัวเราเองได้แต่ถ้าเราไม่ได้ทําบุญเราก็ต้องอยู่แบบอนาถา หรือตายไปในระยะอันใกล้นั่นก็เป็นเรื่องของกรรมดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงไม่ควรประมาทในเรื่องบุญเรื่องกรรมเป็นอันขาดเพราะบุญกรรมนี่แหละจะเป็นเครื่องที่ส่งเสริมเราหรือฉุดลากเราให้ลงต่ำส่งให้ขึ้นสูงก็คือบุญฉุดให้ลงต่ำให้สู่ความทุกข์ความยากความลำบากก็คือกรรม นั่นแหละจึงเป็นเหตุผลนที่ทำไมพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านจึงไม่กระทำบาปทำกรรมกันเพราะท่านมีดวงตาเห็นธรรมท่านเห็นผลของกรรมที่จะตามมาว่าเป็นอย่างไรนั่นเองท่านจึงเกิดมีความกลัวมีความอายในการกระทำบาปมีทีรีโอตปะกลัวบาปอายในบาปอายในการกระทาบาป กลัวเพราะรู้ว่าผลของบาปนั้นมันมีจริงและรุนแรงอายก็เพราะว่าคนที่ทำบาปนั้นไม่ใช่เป็นคนที่น่าชื่นชมยินดีถ้าเป็นรูปร่างหน้าตาก็เป็นเหมือนกับคนรูปร่างหน้าตาอับประลักคนที่ทำบาปจะเป็นอย่างนั้นในทางตรงกันข้ามคนที่ทำบุญนั้นกับมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามนี่เป็นเครื่องเปรียบเทียบ ถึงแม้ว่าร่างกายสังขารของเขาอาจจะไม่สวยงามแต่ถ้าเขาได้ทําบุญทําความดีแล้วเขาก็ยังเป็นคนที่มีคนชื่นชมยินดีอยู่ตรงกันข้ามกับคนที่มีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามแต่มีแต่ทําบาปถึงแม้รูปร่างหน้าตาเขาจะดีแต่คนที่รู้จักพฤติกรรมของเขาก็จะรังเกียจจะไม่ยินดีคบค้าสมาคมด้วย ดังนั้นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรม <c oughs> เห็นผลของบาปของกรรมแล้วจึงมีคิริโอตปะไม่กล้าที่จะทำบาปและมีความละอายในการกระทำบาป <c oughs> ถ้าเรามีคุณธรรมทั้งสองประการนี้แล้วการที่จะทำสิ่งที่ไม่ดีคือบาป ก, กรรมทั้งหลาย <c oughs> ก็จะเป็นสิ่งที่ยากที่จะทำได้แต่การที่เราจะมี ดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาได้เราก็ต้องปฏิบัติธรรมปฏิบัติอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอหรหันตสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติกันมาด้วยความตั้งใจด้วยความจริงใจด้วยความภาคเพียรด้วยความอดทนอย่าให้สิ่งที่มันเป็นอุปสรรคเล็กๆน้อยๆมาล้มมาทาลายผลอันประเสริฐที่จะเกิดจากการปฏิบัติ ตามมาเพราะว่าเวลาที่เราปฏิบัติทำในเบื้องต้นนั้นจะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ยากเพราะอุปสรรคส่วนใหญ่นั้นไม่ได้เกิดจากอุปสรรคภายนอกแต่เป็นอุปสรรคภายในคือความที่ไม่เคยชินนั่นเองถ้าเราเคยชินกับการกระทําอะไรเวลาจะกระทําสิ่งนั้นมันจะง่ายสิ่งที่เราไม่เคยกระทํานั้นเวลาเรากระทําจะรู้สึกว่ายาก เช่นถ้าเราถนัดมือขวาแล้วเกิดมีความจำเป็นต้องไปใช้มือซ้ายแทนเพราะมือขวาใช้ไงานไม่ได้เวลาใช้แขนซ้ายก็จะรู้สึกว่ายากรู้สึกว่าลาบากแต่ถ้าเรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้มือซ้ายเราก็พยายามใช้ไปอดทนใช้ไปสร้างใจทำไปไม่ช้าก็เร็ว ความเคยชินก็จะปรากฏขึ้นมาแล้วต่อไปการใช้มือซ้ายก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากเย็นอะไรเพราะมือซ้ายกับมือขวานั้นความจริงมันก็ไม่มีความแตกต่างจากกันทําไมคนที่ใช้มือขวาถนัดมือขวาจึงใช้มือซ้ายไม่ถนัดและคนที่ถนัดซ้ายถึงใช้มือขวาไม่ถนัดก็เป็นเพราะความเคยชินนั่นเองถ้าเราเคยใช้มือไหน มันก็เป็นความเคยชินก็เป็นความสะดวกเป็นการง่ายที่จะใช้มือนั้นถ้ามือที่เราไม่ได้ใช้มาก่อนมันก็ไม่เคยชินก็จะรู้สึกยากเวลาที่จะใช้นี่แหละก็เช่นเดียวกับการทำบาปกับการทำบุญเราเคยทำบาปกันมานับไม่ั่วแล้วการทำบาปทำกรรมเป็นสิ่งที่ง่ายสำหรับจิตใจของพวกเราแต่เวลาที่เราจะทาบุญกัน จะรู้สึกวายาเพราะเราไม่ค่อยได้ทำกันนั่นเองแต่ถ้าเราพยายามทำบุญกันให้มากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วต่อไปการทำบุญก็จะกลายเป็นของง่ายเินกะทั่งกลายเป็นของที่จะไม่ได้ทำไม่ได้คือจะต้องทำเหมือนกับคนที่เคยใส่บาตรเป็นประจำวันไหนที่ไม่ได้ใส่บาตรแล้วจะรู้สึกไม่สบายใจ ถ้าพระเดินผ่านบ้านไปก่อนถ้าเตรียมอาหารไว้ก็จะวิ่งตามจะนั่งรถตามมาใส่บาตรถ้าทางพระที่เดินบินบายไม่ได้ก็มาถึงที่วัดเลยก็มีเพราะมันเป็นนิสัยทำอะไรไปแล้วมันติดนิสัยด้วยการทั้งนั้นไม่ว่าดีหรือชื่วถ้าทำความชั่วมันก็จะติดนิสัยของการกระทำความชั่วไปถ้าทาความดีก็จะติดนิสัย ของการทําความดีไปดังนั้นในขณะที่เราเริ่มทําความดีแล้วเรารู้สึกว่ายากก็อย่ากเกิดความท้อแท้จงทําความเข้าใจว่าเรายังไม่เคยชินขอให้ทําไปเรื่อยๆอีกสักพักหนึ่งอีกสักระยะหนึ่งก็จะรู้สึกว่าง่ายขึ้นและจะง่ายขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นของที่ต้องทําคือติดเป็นนิสัยไปเสียแล้ว ดังนั้นการที่เราจะยกตนให้พ้นจากกองทุกข์ให้ออกจากคุกจากตารางนั้นถึงแม้จะยากจะลําบากลําบนอย่างไรก็ไม่ใช่เป็นสิ่งสุดวิสัยจะยากแต่ในเฉพาะช่วงเริ่มต้นเท่านั้นเองเหมือนกับรถยนต์เวลาที่รถจะออกก็รู้สึกว่ามันหนักกว่าจะให้รถมีวิ่งไปได้จะรู้สึกว่าลําบากแต่เมื่อรถได้เริ่มวิ่งไปแล้วก็จะรู้สึกว่ามันเบา เวลาผลักดันก็จะรู้สึกว่าไม่ต้องใช้แรงมากเหมือนกับตอนที่ผลักตอนต้นเวลารถจอดอยู่เฉยๆต้องผลักให้รถนั้นไหลไปจะรู้สึกว่ารถนั้นหนักต้องใช้แรงมากถึงจะสามารถทำให้รถนั้นเลื่อนไปได้แต่พอรถเริ่มเลื่อนไปแล้วจะรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องใช้แรงมากก็สามารถทำให้รถนั้นเลื่อนไปได้เรื่อยๆ ฉันใดการปฏิบัติธรรมทำคุณงามความดีละการกระทำความชั่วกำจัดกิเลสก็เป็นเช่นนั้นในเรื่อง